ตอนที่16กรอดูท่าทีความขัดแย้งที่ชูหลิงจินตนาการไว้ไม่ได้เกิดขึ้นชูหงชูเปียวและชู่จะวินทั้งสาคนที่เดินออกมาจากฝูงชนต่างคุกเข่าลงบนพื้นหิมะด้วยสีหน้าโศกเศร้าภายใต้สายตาจําจนวนนับไม่ถ้วนพวกเขาไม่สนใจว่าสารโฮที่เสด็จถึงตําหนักโซ่หงแล้วจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเสียงตะโกนของพวกตนและไม่สนใจว่าฝูงชนเบื้องหลังที่เห็นภาพนี้จะคิดอย่างไรในใจคําทูลขอของทั้ง3ามคนถูกกล่าวออกมาตามลําดับ แม้สิ่งที่ทุลขอจะมีมุมมองที่แตกต่างกันด้วยการแสดงออกจะต่างกันไปบ้างแต่ใจความสําคัญกลับเหมือนกันอย่างน่าประหลาดสรุปสั้นๆได้ว่าตาสิงห้องตีเสด็สวรรคตอย่างกระทันหันแต่ว่าเนียนจีร่างสุสานห ล, ลวงยังม่ได้กําหนดสถานที่และเริ่มการก่อสร้างบัดนี้สถานการณ์ของต้าวีน่าเป็นห่วงในฐานะที่พวกเขาเป็นเชื้อพระวงศ์และองค์ผู้ครองที่ดินจึงขออาสาเป็นแบบอย่างในการบริจาคเงินเพื่อสร้างสุสานห ล, ลวงเหอที่แท้ก็วางแผนจะเข้ามาแทรกแซงการควบคุมการสร้างสุสานห ล, ลวงนี่เอง หลังจากชูหลิงฟังสิ่งที่ทั้งสาพูดจบสายตาที่เขามองชูหงและพวกก็เปลี่ยนไปนี้ต้องมีคนเก่งคอยชี้แนะอยู่เบื้องหลังแน่ๆในเมื่อตำแหน่งจั ก, กรพรรดิผู้สืบรชาชสันติวงศ์ถูกกำหนดแล้วและความได้เปรียบจากการชิงลงมือก่อนหายไปพวกเขาจึงเลือกถอยมาก้าวหนึ่งเพื่อหวังผลที่รองลงมาโดยเลือกที่จะพำนักอยู่ในอวี๋ตูต่อไปเพื่อผ ส, สมกําลังไปพร้อมๆกับการสร้างชื่อเสียงและการยอมรับมือของชูหลิงกำแน่นขึ้นสถานการณ์ของเขาหน้าเป็นห่วงยิ่งนัก ในสถานการณ์ที่เร่งรีบเขาถูกดึงออกมาให้เป็นจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์แห่งต้าอาวี๋ไม่ใช่แค่เขาที่ดาวชะตากรรมของตัวเองได้แต่ในอวีตูก็มีคนจำนวนมากที่มองออกดังนั้นการวางแผนร้ายจึงตามมาติดติด นี่คือสถานการณ์ที่หลังจากฝ่ายเ ท, ย, ทยหวงเห่าฝ่ายห่วงเห่ า, หาและฝ่ายฮองเฮายังไม่แน่ชัดว่าเป็นมิตรหรือศัตรูอีกทั้งในช่วงที่ตาสิงห้องต้เสด็จสวรรคตยังกระทันหันกลุ่มคนที่หลังไหลเข้ามาในราชสำนักฝ่ายนี่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นมิตรหรือศัตรูแต่กลับมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มวางแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหลังจากที่กลุ่มคนข้างต้นขับเคี้ยวกันจนได้ตัวจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์ออกมาแล้ว ดูเหมือนว่าผู้ที่กระโดดออกมาจะมีเพียงชูหงชูเปียวและชูจะวินสามคนแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังยังมีคนอีกเท่าไหร่และคนเหล่านี้แบ่งออกเป็นกี่ฝักกี่ฝ่ายเป็นสิ่งที่ชูหลิงยังไม่อาจตัดสินได้โดยง่ายชูหลิงที่เป็นถึงจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์กลับไม่ได้รับความสําคัญมีน้ำซ้ำํายังถูกทุกคนรุมวางแผนเล่นงานหากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับใครคนอื่นเกรงว่าคงจะรู้สึกแย่ไม่น้อยเวลาผ่านไปทีละวินาทีจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์เชิญเสเด็จกลับไปยังขบวนนเเสเด็จก่ออะพย หลีจงสังเกตเห็นสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีจึงกระซิบเตือนชูหลิงว่าเวลานี้ต้องยึดถือตามกฎมนเทียนบานและจารีบประเพณีเจนอยากจะไปดูเสด็จพี่เสียนหน่อยก็ไม่ได้เชียวหรือต่อความระมัดระวังของหลี่จงชูหลิงไม่ไดแสดงอารมณ์ใดๆเพียงกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบหลีจงเงียบไปหางตาเหลือบมองไปยังฝูงชนหน้าตำหนักโซ่หงเวลานี้มีคนไม่น้อยเริ่มสุขสิบวิพาควิจารชูหงชูเปียวและฉูจวิ้นยังคงคุกเข่าอยู่พวกเขากำลังรอราชอง์การจากซานโฮ แต่สำหรับหลี่จงผู้มีเล่เหลี่ยมลึกซึ้งเขาจะไม่มองไม่ออกได้อย่างไรยิ่งเวลาล่าช้าไปนานเท่าไหร่ผลกระทบต่อจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ก็จะยิ่งรุนแรงเท่านั้นพิธีไว้อะไรลงศพลวงของต้าสิงห้องตีที่ควรจะดําเนินไปด้วยดีกับต้องหยุดชะงักลงเพราะการปรากฏตัวของคนทั้งสามในขณะที่ชูหลิงซึ่งเป็นจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์กลับไม่มีอํานาจตัดสินใจใดๆได้ไดแต่รอราชาองค์การจากซานโฮเช่นนี้แล้วพวกเชื้อพระวงศ์และคุนนางทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบู๊ที่มาร่วมพิธีจะคิดอย่างไรในในจ ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ชูหลิงซึ่งมีพระชนมายุเพียง8ปดพันปีถูกเลือกให้เป็นจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ตั้งแต่แรกซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างข้อสงสัยและเสียงวิจารณ์ลับหลังอยู่ไม่น้อยแล้วพูดกันตามตรงหลายคนไม่เชื่อมันว่าเด็กน้อยคนหนึ่งจะสามารถปกครองต้าอาวี่ให้ดีและควบคุมสถานการณ์ได้ความขัดแย้งที่จินตนาการไว้ไม่เกิดขึ้นแล้วชูหลิงจะทําอะไรได้แม้แต่สถานการณ์ในตอนนี้ยังดูเสียเปรียบยิ่งกว่าตอนที่ราชองค์การของซานโฮเพิ่งออกมาเสียอีก สิ่งเดียวที่ชูหลิงสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็คือเวที่ทุกคนต่างไม่เชื่อมั่นนี่แหละลมเริ่มพัดแรงหิมาโปรยปลายชูหลิงเชิดหน้าขึ้นแล้วเดินตรงไปยังตําหนักโซ่ห่วงเขาต้องการสร้างภาพรักหนึ่งขึ้นมานั่นคือความอะไรรักต่อต้าสิงห้องตี้และแสดงให้เห็นถึงความคเคารพเทิดทูนที่มีต่อพระองค์ความคเคารพเทิดทูนนี้คือความรักที่น้องชายมีต่อพี่ชาย พระชนมายุที่ยังน้อยคือความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนได้และเป็นจุดอ่อนของชูหลิงซึ่งทำให้คนจํานวนมากมองว่าเขาไม่คู่ควร น, นั้นเป็นเรื่องปกติแต่ชูหลิงจะปล่อยให้คนรู้สึกว่าเขาไร้ความสามารถหรือไม่คู่ควรกับการเป็นจั ก, กรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์แห่งต้าอาวีไม่ได้และในสถานการณ์เช่นนี้หากต้องการแสดงจุดยืนนั้นออกมานอกจากสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้แล้วยังจะพึ่งพาสิ่งใดได้อีกหากคิดจะแสดงความสามารถใครเล่าจะให้โอกาสเขา ในทางกลับกันหากชูหลิงแสดงความเก่งกาจเกินไวออกมาเกรงว่าบางคนคงจะนั่งไม่ติดแน่เด็กที่ฉลาดเกินไปย่อมทำให้คนอื่นรู้สึกอยากจะกำจัดทิ้งเพื่อตัดไฟต่ต้นลมราชค์การสารโหในขณะที่ชูหลิงยังคงเดินต่อไปท่ามกลางเสียงสุบสิบของฝูงชนคนที่เพิ่งจากไปเมื่อครู่ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่หน้าตาหนักโซ่หงคราวนี้ท่าทีของเขาเด็ดขาดและแฝงไปด้วยความเย็นชา สูหวังไวหวังและจิงหวังทั้งสามองล่วงเกินราชประเพณีรบกวนพิธีไว้อะไรลงศพลวงของต้าสิงห้องตีให้ถอดถอนฐา น, นันดรศักดิ์ององของทั้งสคนและสั่งให้สารบรรพชนส่งทหารองครักษ์เข้าควบคุมตัวอย่างเข้มงวดให้นําตัวไปกักบริเวณที่จวนสิบองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคําประกาศนี้สร้างความตื่นตนกไปทั่วไม่มีใครคาดคิดว่าสารโฮจะออกราชโองการเช่นนี้ชูหงชูเปียวและชูเจวินถึงกับอึ้งไปตามตามกันนี่มันไม่เหมือนกับที่พวกเขาคาดการไว้เลยสักนิดมันไม่ถูกต้อง ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ความคิดเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในใจของชูหงชูเปียวและชูเจวินเท่านั้นแม้แต่ฝูงชนที่รวมตัวกันหน้าตํนักโซ่หงจํานวนมากก็มีความคิดเช่นเดียวกันไทห่วงไทเห่ากระหม่อมมีข้อขัดขานกระหม่อมมีเรื่องจะทูลกล้าถวายห่วงไทเห่าในเวลาเกือบจะพร้อมกันขุนนางจํานวนมากต่างพุ่งออกมาจากฝูงชนพวกเขามีสีหน้าท่าทางที่แตกต่างกันไปและกล่าวด้วยน้ําเสียงสูงความประสานมือคํานับไปทางตํนักโซ่ห่วง สถานการณ์เกิดการพลิกผันทว่าชูหลิงกลับหยุดเดินท่านใดนั้นเขาก็เข้าใจเรื่องหนึ่งชูหงชูเปียวและชูเจวินที่ก้าวออกมาในเวลานี้และกล่าวถ้อยคําเหล่านั้นต่อหน้าสาธารณชนไม่ใช่เพียงเพราะต้องการพำนักอยู่ในเมืองหลวงสร้างชื่อเสียงหรือดูแคลนเขาเท่านั้นแต่การอย่างเชิงที่ลึกซึ้งกว่านั้นแท้จริงแล้วคือการอย่างเชิงซานฮโต่างหากมีคนบางกลุ่มต้องการดูว่าภายใต้โครงสร้างอํานาจใหม่ของราชวงศ์อวีการประนีประนอมและการยอมความกันระหว่างซานฮโธทั้ง3นั้นแท้จริงและเป็นอย่างไร อืมชูหลิงที่มีพระชนมายุเพียงแปดพรรษากลายเป็นจั ก, กรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ในฐานะเด็กน้อยที่สำคัญยังเป็นโอรสที่เกิดจากสนมซึ่งเทจงไม่โปรดปรานที่สุดเรื่องนี้ทำให้ชูหลิงถูกยกขึ้นไปเป็นเป้เปาโจมตีของทุกคนจริงๆแต่หากมองอีกมุมหนึ่งซานฮเองก็เป็นเช่นนั้นมิใช่หรือ ภายใต้การสวรรคตอย่างกระทันหันของต้าสิงห้องตี้สถานการณ์ของต้าวีได้เปลี่ยนไปแล้วการที่ซานโฮทั้งสร่วมกันบริหารราชการแผ่นดินซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนจะกลายเป็นความจริงหลังจากที่ชูหลิงขึ้นครองราชความสัมพันธ์ระหว่างซานโฮเป็นอย่างไรและแต่ละฝักฝ่ายเป็นอย่างไรคือสิ่งที่หลายคนกระหายอยากจะรู้ซึ่งในจํานวนนั้นก็รวมถึงสมาชิกของแต่ละฝักฝ่ายเองด้วยดังนั้นหากจะพูดถึงผู้ที่โดดเด่นที่สุดย่อมต้องเป็นซานโฮแน่นอน ท่าทีของพวกนางการอยู่ร่วมกันของพวกนางจะถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาและแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นตามมาก็มีโอกาสสูงมากที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องกันเป็นทอดๆเล่เหลี่ยมของแต่ละคนนี่มันลึกซึ้งชะมัดในขณะนี้ชูหลิงมีความคิดมากมายและอยู่ในหัวแม้ว่าตั้งแต่เข้าสู่ตำหนักต้าซิงเขายังไม่เคยพบซานโฮเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ในวินาทีนี้ชูหลิงได้ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อพวกนางใหม่ทั้งหมดถึงจะเป็นผู้หญิงแล้วอย่างไรจะกล้าดูแคลนได้เชียวหรือ ชูลิงพันเข้าใจจุดหนึ่งดูเหมือนว่าสถานการณ์ของเขาจะอันตรายและน่าอึดอัดมากแต่ความจริงแล้วเขามีซานโฮวคอยค้ำยันอยู่ข้างบนลมฝนส่วนใหญ่ถูกขุนเขาใหญ่ทั้งสามลูกนี้บทบังไว้ให้แล้วสิ่งที่เขาต้องทำคือการเอาตัวรอดในซอกหรือระหว่างขุนเขาทั้งสามนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะอันตรายยิ่งนักก็กลับกลายเป็นไม่อันตรายขนาดนั้นแต่ในทางกลับกันหากชูหลิงต้องการเอาตัวรอดภายใต้ขุนเขาใหญ่ทั้ง3ลูกนี้เขาก็ต้องหาทางใช้สถานการณ์ภายนอกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงหาไม่แล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสใดๆเลยและทุกอย่างก็จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้น